ศิลปะป้องกันตัวนี่ไม่ได้หมายความว่าอะไรนะยูโดโคาราเต้หรือว่าอะไรมวยหรือว่าอะไรที่เขาฝึกๆกันอะ่ะเพราะ น, นั้นมันศิลปะป้องกันตัวแบบภายนอกแต่ในที่นี้เราพูดกันถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเพราะนั้นก็จะพูดถึงศิลปะป้องกันตัว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 เราเราไอ้สัมรวมเนี่ยเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> คําว่าสัมรวมเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> อ่า ร, ระวัดระวังนั่นก็ใช่ <c oughs> คือบางทีเนี่ยเราใช้คําว่าสัมรวมเนี่ยนะเราก็บางทีนึกๆอยู่เหมือนกันนะบอกให้สัมรวมวาจาอ่าหรือสัมรวมกิริยาอาการาต่างๆนี่ยนะ บางทีเราเราก็นึกๆรู้สึกเออมันเหมือนเหมือนเข้าใจดีนะแต่บางครั้งก็เหมือนเหมือนไม่เข้าใจเหมือนกันเคยรู้สึกอย่างนั้นไหคือมันเหมือนเข้าใจแต่บางทีก็เหมือนไม่เข้าใจเวลาจะไม่เข้าใจเนี่ยตอนไหนหรือไหมตอนเวลาก็ถามเขาถามกลับอะ่ะคือก็ถามนเนี่ยเคุณบอกว่าคุณสารวมเนี่ยคุณสํารวมยังไงชักชักนี้ชักงงงงเลยนะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าสังวรเนี่ยสังวระเนี่ยนะ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 เราจะนึกภาพอย่างนั้นออกมาเลยอืมเพราะฉะนั้นคําว่าสังบอนเนี่ยอาตมาอยากจะแปลอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยเหมือนกันนึกภาพออกมาเลยแต่บอกแล้วในที่นี้สังบอนในที่นี้นะเป็นคําทางบาลีเป็นคํทาคทางพระเป็นคําทางปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นสังบอนในที่นี้ย่อมไม่ได้หมายความเหมือนชาวโลกแต่อันนี้เป็นชาวธรรมะแล้วชาวโลกุตระ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 ว่าป้องกันเนี่ยคือคือต้องต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะฉะั้นสีนสังวรเนี่ยนะหรือบอกว่าสังวรในสีนของตนใครถือศีล5ห้านะก็ต้องป้องกันศีล5ห้าของตัวเองเอาไว้ให้ดีใครถือศีล8ก็ต้องป้องกันศีล8ดของตัวเองให้ดีอย่าให้ศีลเนี่ยต้องแตกหักหรือว่าโดนทาลายไปซึ่งโดนทําลายก็โดยส่วนใหญ่ก็คือตัวเราเองแหละ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 ป้องกันโดยใช้สติป้องกันแล้วใช้สติยังไงอ่ะเอาสติมาถือไวนะ้ถ้าเขาเข้ามาก็เอาสติเลี่ย ง, งเลยหรื อ, อยังไอง อ, งอ่นะอันนั้นก็ถูกแต่อาตมาจะบอกให้ข้อที่สองเนี่ยคือสติสังวรคือ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 ถ้าแปลก็ง่ายๆก็คือความรู้รู้ตัวความรู้ตัวอยู่เนี่ย mm hmm. เ็าเรียกว่าสติวันท mm ี่ที่บางทีเราใช้คำว่าอย่าเพ้อใจนะอย่าห่างใจนะก็คืออย่าขาดสติถ้ า, ถ, าถ้าพูดให้มันง่ายขึ้นเนี่ยนี่ก็คืออย่าขาดสตินะคำว่าขาดสติเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้เรื่องเออแบบว่าอะไรนะโดนเอาไม้ฟาถั่วแล้วก็สลบเขาก็ใช้คาว่าขาดสติเหมือนกันถูกไหม แต่ขาดสติแบบนั้นน่ะขาดเพราะอะไรเพราะโดนคนอื่นฟาดหัวนะหรือทําให้เราสลบเราก็เลยขาดสติคือคอืไม่รู้ตัวแล้วยังไงครานี้สติเราอยู่ในภพเราแล้วมันมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรละบางคนก็เป็นลมหน้ามืดล้มสลบลงไปที่ม้อย่างเงี้ยเขาก็เรียกขาดสติแต่ขาดสติแบบนี้เป็นการขาดสติของ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 ถ้าไม่มีดีด่าเขาถูกไหมจะโตเขากลับได้ไหมมันรู้ตัวไหมว่าว่าเนี่ยเนี่ยกำลังโดนด่าแล้วก็มันไม่ได้อันนี้ด่ากูกูต้องด่ามึง อ, อย่างเงี้ยคือรู้ตัวไหมถ้าพูดถึงว่ารู้ตัวไหมสลบอยู่หรือเปล่าพอเขาด่าปั๊บสลบเลยแล้วก็จําไม่ได้แล้วเออถ้าอย่างนั้นก็ดีที่ได้ไม่ต้องด่าเขากลับแต่มันรู้ตัวใช่ไหมแต่รู้ตัวแบบนี้แหละ ภาษาพากเราเรียกว่าอย่างเนี้แหละขาสติคือรู้ตัวแบบพื้นที่ที่ว่าอากุศลแล้วจิตคิดไม่ดีแล้วนี่โค้ดนี่เขาทําอย่างนี้นี่เขาแกล้งแล้วนี่เขาทาอย่างนี้นี่เขาใส่ไล่ป้ายสีแล้วนี่เขาทําอย่างนี้นี่เขาอะไรอะ่ะโกงแล้วนี่คืออย่างนี้เรากำลังคิดอกุศลไปแล้วขณะที่เราเนี่ยคิดอกุศลอยู่เนี่ยคุณตื่นตืออยู่เนี่ยคุณไม่ได้สลบสไลด์เลยคุณมีสติ แบบอกุศลอยู่คุยง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี่ยมันก็คิดอยู่เลยคิดเยอะเลยนั่นแหละที่บางทีเนี่ยในทางธรรมะเราเราบอกคุณขาดสติแล้วทั้งๆที่บางทีเนี่ยเถียงเราได้ชอดชอดออดเลยนะแต่เราบอกนั่นแหละคุณขาดสติแล้วบางทีเนี่ยโอ้โหควี่งจานเลยนะตื่นตือยู่เนี่ยโอ้โหขวี่งจานขวียงคอน เครงจานนี่คือจานจริงๆส่วนเครื่องคอ น, นี่ก็คือส่งสายตาส่งสายตาไม่ชอบใจให้แล้วอืมก็ยังดีกว่าเครื่องขานนะซึ่งอันนั้นนะ่ะเราเรียกว่าคาสติเพราะอันนี้คุณจะต้องเข้าใจให้ดีตะกี้ย้อนกลับมาใหม่ที่ตะกี้เราพูดถึงศีลสังบอนบอกเราจะป้องกันศีลของเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นมีผู้บอกว่าเราจะต้องมีสติอัตมาก็บอกว่าเออถูกต้อง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 ข้อปฏิบัติที่เรากำหนดกำหนดว่าจะกินวันละสักสีมือ้อ <c oughs> นี่คือศีลประการหนึ่งของเราเหรอแอ้ว <c oughs> ยังไงศีลว่ายังไงเอา้เอาวอ้าวตอบสิอ๋ออันนี้ศีลแปลว่าปกติกินเหล้าสูบุรีเป็นปกติ ปกติตั้งอยู่ในความดีงาม อ, อันนั้นนะบางทีเคยได้ยินไหมบางทีเขาพวกคุณอาจจะเคยได้ยินมันมีเบญญศีลคู่กับเบญญาธรรมเขาเขาจะแปลเบญญาธรรมว่าฮะเบญาธรรมเขาจะแปลว่าข้อที่ให้เราเนี่ยปฏิบัติ ด, ดีใช่ไหม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 ความดีที่เราไม่เคยคิดอยากจะทำเลยความดีอะไม่เคยคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยที่จะทำให้ดีขึ้นไม่อะไรนะไม่เปลี่ยนไป <c oughs> ไม่เปลี่ยนไปสักทีหนึ่ง <c oughs> นะเร็วยังไงก็จะเร็วอยู่อย่างนั้นเน่ยทำได้แค่ไหนก็จะทำอยู่อย่างนั้นเน่ไม่เหมือนผู้จัด ก, การเปลี่ยนไปเลย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นพยายาม นนันพยายามที่จะแบบว่าเอออะไรดีๆเนี่ยที่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้มันน่าจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยะจะเป็นระบบเลยผู้เจ้าทีจะสอนอย่างเงี้ยมันที่ที่เ ก, กีเนี่ยอัตมาถามเรื่องของศีลเนี่ยนะมันก็คือข้อส่วนใหญ่จะเป็นข้องดเว้นเนี่ยก่อนหันสิงสามวงก็คือป้องกันป้องกันไอ้เรื่องเลวๆและไลยเรื่องกิเลสเรานั่นเองกิเลสเราที่มีอยู่เนี่ยเรื่องอะไรบ้างละ่ะ ที่เป็นกิเลสเราโดยเฉพาะกิเลสตัวบิ Big, ๊กๆอ่ะตัวใหญ่ๆกิเลสตัวลาลายๆของเราซึ่งเราก็รู้ตัวเราดีแต่เราชอบปล่อยให้หลุดอยู่เรื่อยลๆอย่างบางคนเนี่ยขี้โกรธอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้ความโกรธหลุดอยู่เรื่อยหลุดอยู่เรื่อยด่าเขามั่งขมึงตาใส่คนนน้นคนนี้บ้างอ่าก็แล้วแต่นะบะบะบะใครมีกิเลสตัวไหนบางคนก็ ทำเดินสวิตสวัสด์ไม่รู้จะพูดยังไงนะเดินแบบแหมกวนกวนกวนต่อระบบสายตาของคนอื่นเขาอืทำให้คนอื่นเขาสายตาเสื่อ ม, อมเพราะฉะนั้นแล้วอย่างเนี้ยเราก็รู้กิเลสเราดีะวะ่าโอ้โหอันเนี้ยไม่ต้องมีใครบอกเราก็รู้แล้วเรารู้วันเนี้ยเนี่ยความมันเป็นความเลวเป็นความไม่ดีของเรา เราเราควรจะป้องกันไม่ให้ไอ้ความเลวความไม่ดีที่เรารู้ๆของเราชัดๆอย่างงี้แหละนะอย่าให้มันเกิดขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆให้มันหมดไปนันศีลสังวรตัวที่หนึ่งใช่ไคือเราต้องรู้พวกนี้หรือพูดง่ายๆคือรู้สักยะของเราว่ากิเลสตัวไหนเป็นสักยะของเราเพราะลอย่างที่ตะกี้นี้บางคนบอกว่าศีลก็คือข้อที่เราตั้งขึ้นมา ก็ได้ถ้าคุณจะตั้งขึ้นมาเองเพราะเรารู้กิเลสเราใช่ไหมว่าเวลาเนี่ยเราเจอใครปับ๊บนะนิสัยและก็ความเคยชินที่มีมาตั้งแต่อ่อนแต่ออก <c ười> นะคือพอเจอใครเนะี่ยต้องทําหน้าทําตาอะไรกวนๆคนอื่นเขาอยู่เรื่อยแก้ยากนะเพราะมันเป็นมาตั้งแต่โอ้โหดึกดําบรรแล้วนะสะสมมาใจเรารู้แล้วว่านี่คือปัญหาของเรา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 ว่าใส่เข้าบ้างอ่ะใช่ไหมอ่าทำไมชอบทำหน้าอย่างเงี้ยทำไมจะต้องอย่างนี้อยู่เรื่อยอือแล้วจริงๆไอเราเองเราก็พอรู้ตัวเราอยู่อันตมายยังเคยไปส่องกระจกดูเลยดูที่เอ๊หน้าเรามันเป็นยังไงวะดูแล้วก็เออก็จริงอย่างที่เขาว่าเหมือนกับอ่านิทานชาดกอยู่เรื่องเนี่ยที่คนเขาเลือกนกนกเขาแมวให้เป็นประธานของ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 ตอนนี้ไอ้คิ้วเราเนี่ยจะขมวดเนี่ยพยายามพยายามดึงมันออกก็อย่าอย่าให้มันเข้าไปอย่าให้มันเข้าไปโอโ้ต้องพยายามอยู่อยู่นานทีเดียวนะเพราะว่าบอกแล้วมันเคยชินมันติดมานานไอ้อย่างแย้บางทีเรารู้นะว่าอย่างไหนเนี่ยไม่ดีของเราเรารู้ไม่ต้องรอคนอื่นมาบอกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่แก้ไม่ได้เพราะเราชอบปล่อยตามความเคยชินของเราทั้งทั้งที่รู้นั่นแหละ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 มีหลายอย่างอัตมาเนี่ยใช้มือช่วยบางทีแต่ก่อนหน้าบึงบ้งๆไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรบางทียังหัดไปอยู่หน้ากระจกแล้วก็เนี่ยเอาสองนิ้วอะ่ะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยหัดดันมุมมุมปากเนี่ยขึ้นหัดดำมุมปากเนี่ยขึ้นเออทํากับกระจกแล้วมันก็ดูขำๆดีอะแล้วมันก็ทําให้อารมณ์เราดีเอออ้าวแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆนะ พอพอเวลาเราไปเจอคนอื่นเขาเราก็าพยายามทําอารมณ์ดีๆถ้ามันไม่ยอมทําตามก็บอกแล้วเราก็ทําเป็นยกมุมปากเราคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องหราแต่เราก็อดขำตัวเองไม่ได้มันก็เลยทําให้อารมณ์เราดีขึ้นอ้าวแล้วมันช่วยได้จริงๆถ้าถ้าเราพยายามทําจริงๆนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งขึ้นมาเองก็ได้เนี่ยเป็นศีลสังวรคือเราจะป้องกันป้องกันยกตัวอย่างเล็กีนี้ว่าแม้เรารู้ละหน้าเรามันชอบบึง้งตึงมันชอบอะไรพวกนี้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 เมือบางคนเนี่ยพยายามแล้วนะอุตสาตั้งตาบะคือคือคือตั้งศีลของตัวเองอะ่ะว่าเออจะงดเบ้นของหวานจะไม่กินขนมเพราะว่าจะแย่อยู่แล้วสุขภาพจะเสียอยู่แล้วนักเลยตั้งศีลให้กับตัวเองเพราะรู้แล้วว่าเร า, เ, ราเนี่ยชอบกินขนมอย่างนี้อย่างงี้ตอนนี้หน้าเลยฮะหน้าเลยนะทุเรียนเหรออา้าวบางคนเนี่ยติดทุเรียนเอาผลไม้ก็ได้ นะเราติดทุเรียนมากเลยเรารู้ว่าโอ้โหถ้าเจอทุเรียนนะไม่ใช่คุณทุเรียนนะ <c oughs> อันนี้ผลไม้ชื่อว่าทุเรียนถ้าเจอทุเรียนปั๊บโอ้โหอดใจไม่ได้อดใจไม่ได้จริงนะอนตาตมาเห็นมาแล้วเออคนที่ติดทุเรียนนี่ติดจริงๆติดมากมากด้วยโอ้โหเห็นไปนไม่ได้เห็ น, นีกินไอเป็นลูกๆเลยไม่ใช่ชนีนะอันนี้ก็ไม่ใช่ชื่อสัตว์นะ <c oughs> อันนี้อะไรเขาเรียกกันแหละ ยี่ห้อยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อของทุเรียนน่ะเออพัน <c oughs> แหมนึกไม่ออกว่าพันธุ์แหมเป็นนึกไดแต่ยี่ห้อเออว่าพันชนีใช่ไหมเจอเนี่ยวโทชนีเนี่ยน้อยไปนะน่ะต้องหมอนทองต้องอะไรนะลูกโตโตอ่ะ <c oughs> ลูกใหญ่ใหญ่หน่อยอือหึกินทั้งทั้งลูกเลยนะไม่ได้มาถึงกินเปลือกนะ <c oughs>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 กินแค่ภูเดียวนี่ก็มันแหมก็เยอะแล้วนะอืมภูเดียวเพอเพอก็โอ้โหไม่น้อยนะภูหนึ่งอะ่ะอแต่มาว่ายังจะเยอะไปเลยอืมเอาสักเขาจะเรียกเม็ดเดียวป่ะนะเออกินแค่ไ อ, อ้ท่อนเดียวของของภูหนึ่งอ่ะนะแค่นั้นก็พอแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราตั้งขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นศีนลละเนี่ยศีล ส, สังวรตั้งขึ้นมาแต่พอตั้งขึ้นมาแล้วถ้าสติคุณไม่มั่นคง สติคุณไม่แข็งแรงสติของอากุศลสติของความเคยชินเก่าอุปทานเก่าๆเนี่ยมันจะมาเล่นงานมันจะมาบอกเลยอร่อยนะ <c oughs> มันจะมาบอกเลยละอร่อยนะโอ้โหนี่หมอนทองนะหอมนะหืมเนี่ยแบบว่าเขาเพิ่งเอามากําลังแบบว่าพอดีพอดีเลยนะไม่เละไปไม่แข็งไปนะอือเอาละเนี่ยเนี่ย